บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านผู้ตสาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไป <c oughs> อริยมัคมีองค์แปดประการที่ได้กล่าวมาแล้วโดยลำดับนั้นมาถึงข้อของสัมมาวายามะที่แปลว่าความพยายามชอบ สัมมาวายามะนั้นอยู่ในกลุ่มของจิตสิกขาหรือสมาธิเป็นเรื่องของความเพียรพยายามทางใจโดยเฉพาะแต่ว่าบางส่วนก็เกี่ยวข้องกับทางกายอยู่บ้างในสัมมาวายามะนั้นทุกข้อจะเริ่มด้วยคำว่า ให้บุคคลปลูกฝังความพอใจปรารกความเพียรมีความพยายามประคับประคองจิตของตนไว้ในจุดนั้ น, น, นซึ่งคำบาลีที่ทรงใช้ในที่นี้ว่าชันดังชเนติวายมติวิริยังอารัติจิตตังประกันหติและปะดาหติ เรื่องของความเพียรจึงทรงแบ่งไว้เป็นสี่ระดับด้วยกันในชั้นแรกเรียกว่าสังวรประทานคือให้บุคคลปลูกฝังความพอใจมีความพยายามปรารบความเพียรประคองจิตของตนไว้ในการสำรวมระวังเวลาตาเห็นรู หูฟังเสียงจมูกดมกลิน่นลิ้นดิมรสกายถูกต้องโภชพระและใจตรึกนึกถึงอารมณ์ป้องกันไม่ให้เกิดความกำหนัดความขัดเคืองความลุ่งหลงความมัวเมาขึ้นภายในใจิตใจข้อนี้จะพบว่ากุศลและอกุศลนั้นมักจะเกิดจากประสาทสัมผัสเป็นหลักใหญ่ คือในขณะที่ตาของบุคคลเห็นรูปนั้นอาจจะเกิดความรู้สึกไปในทํานองรักใคร่ปรารถนาพอใจหรือไม่รักใคร่ไม่ปรารถนาไม่พอใจหรือว่าเฉยๆแต่และอย่างนั้นเป็นทางให้เกิดกิเลสไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งเช่นในกรณีที่ตาเห็นรูปเป็นต้นแล้วเกิดความกําหนัดรักใคร่ยินดี ก็เป็นการเพิ่มปริมาณของกิเลสสายโลภะให้สูงขึ้นถ้าเกิดไม่พอใจไม่ยินดีก็เพิ่มกิเลสสายโทสะให้สูงขึ้นถ้าเกิดความไม่รู้ไม่เข้าใจเรือการสัดสายของจิตก็เพิ่มกิเลสสายโมหะให้สูงขึ้นในชั้นนี้ถ้าหากว่าบุคคลเกิดความกำหนัดเกิดความขัดเคือง เกิดความรุ่มหลงหรือมัวเมาในอารมณ์เหล่านั้นในระดับของศีลสามัญทั่วไปก็ไม่ถือว่าผิดศีลเพราะเป็นอาการทางจิตโดยเฉพาะแต่ในชั้นที่เป็นประนีศีลแล้วก็ถือว่าศีล น, นั้นด่างศีล น, นั้นพร้อยศีล น, นั้นทะลุไปจุดมุ่งหมายของพระผู้มีพระภาคนั้น ต้องการให้จิตเกิดความสงบระงับเป็นการปิดกั้นกระแสแห่งกิเลส ท, ที่ยังไม่เข้ามาไม่ให้เข้ามาซึ่งต้องอาศัยหลักของสังวรประธานหลักนี้ตัวการสำคัญจริงๆคือสติที่บุคคลจะต้องใช้ในขณะที่ตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นเป็นต้น รูปที่ตนเห็นเป็นต้นถ้าหากว่าเป็นกุศลสติก็ปล่อยให้ผ่านเข้าไปถ้าหากว่าเป็นอกุศลก็ต้องปิดกั้นกระแสของอกุศลเหล่านั้นเอาไว้แต่ว่าการจะกระทำเช่นนี้ได้บุคคลจะต้องมีความพอใจในการที่จะปิดกั้นกระแสของอกุศล และมีความพอใจในกุศ ล, ลธรรมขั้นของความเพียรพยายามนั้นจะอาศัยความพอใจอย่างเดียวไม่ได้จึงทรงใช้คำว่าให้พยายามและปรารบความเพียรคือหมายความว่าเป็นเรื่องที่บุคคลจะต้องใช้ความพยายามบางทีทำได้บางทีทำไม่ได้แต่ให้พยายามเรื่อยไป และส่งเน้นว่าให้ปรารบความเพียรคือมีการกระทําอยู่บ่อยๆกระทาที่สืบต่อกันไปได้บ้างไม่ได้บ้างก็ดีกว่าไม่ได้ทาไปเสเลยและในขณะเดียวกันถ้าหากว่าอารมณ์ใดที่ตนสามารถปิดกั้นเอาไว้ในโอกาสใด้โอกาสนึงเมื่อไปประสบกับอารมณ์เหล่านั้นเข้าอีกก็ควรจะปิดกั้นให้ได้อีก คือหมายความว่าให้รักษาจิตเอาไว้ในจุดนั้นๆคือจุดที่สำรวมระวังได้แล้วก็ให้สำรวมระวังให้ได้ต่อไปไม่ใช่ให้จิตใจเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่เรียกว่ากลับกอกคือบางอย่างทำได้บางโอกาสทำได้บางโอกาสทำไม่ได้ทั้งๆที่อารมณ์มีลักษณะเดียวกันในชั้นต่อไปเรียกว่าประหาปนประธาน หลักในการบำเพ็ญเพียรทรงแสดงไว้เช่นเดียวกันคือให้ปลูกฝังความพอใจพยา ย, ยามปรารุความเพียรและประคองจิตไว้ปานาประธานนั้นให้พอใจในการที่จะละอกุศลขั้นของการละนั้นเป็นการพูดถึงอกุศลที่มีอยู่แล้วภายในใจไม่ว่าจะเป็นพวกสายความโลภความโกรธหรือความหลงก็ตาม ให้บุคคลเพียรพยายามละในชั้นของการละนั้นได้ทรงแสดงไว้สองวิธีด้วยกันวิธีแรกนั้นคือละสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลออกไปก่อนแล้วก็สร้างกุศลคือความดีให้บังเกิดขึ้นแต่อีกชั้นหนึ่งนั้นเป็นเรื่องของการละ ในลักษณะที่สร้างความดีให้มีปริมาณท่วมท้นบาปอากุศลเหล่านั้นความดีที่เกิดขึ้นนั้นจะทำหน้าที่สลายอากุศลที่มีอยู่ให้เบาบางลงไปจนถึงกับหมดสิ้นไปในที่สุดในชั้นของการละกิเลสจุดสำคัญคือบุคคลจะต้องพิจารณาเห็นโทษของกิเลส เลนอนิสงของจิตที่ไม่มีกิเลสปัญหาเหล่านี้ได้เกิดขึ้นแม้แก่พระพุทธเจ้าเมื่อทรงบบเพ็ญเพียรในโอกาสหนึ่งทรงพิจารณาตรวจสอบพระทัยของพระองค์ว่าทำไมสมาธิซึ่งควรจะตั้งมัน่นแต่ไม่ตั้งมัน่นก็ตรวจสอบได้ว่า เพราะว่าพระองค์ยังไม่มองเห็นโทษของจิตที่ฟุง้งซ่านสัทสายและยังไม่ได้เห็นอนิสงค์ของความสงบทางยังไม่ได้พยายามเพื่อจะระงับจิตที่ฟุง้งซ่านสัทสายและลงมือประพฤติปฏิบัติเพื่อเกิดความสงบในด้านจิตใจดังนั้นจึงทรงแก้ด้วยการ มองเห็นโทษของอกุศลมองเห็นคุณของกุศลแล้วเพียนพยายามละฝ่ายที่เป็นอกุศลเพียนพยายามยามเสริมสร้างในส่วนที่เป็นกุศลเมื่อทรงพยายามไปในลักษณะอย่างนี้ฝ่ายอากุศลก็ค่อยๆถูกละไปทีละเล็กทีละน้อยฝ่ายกุศลก็เพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อย ในที่สุดอากุศลก็ส ง, งบระงับพร้อมๆกับจิตที่เต็มเปี่ยมด้วยกุศลผลของความเพียรพยายามของพระองค์จึงเข้าถึงความสมบูรณ์หลักการปฏิบัติในชั้นนี้เมื่อนำมาชี้แจงแก่สาวกก็ทรงแสดงไว้โดยทํานองเดียวกันคือในขั้นของอากุศลที่ยังไม่เกิดก็ปิดกั้นไว้ ในขั้นที่เกิดแล้วมีอยู่แล้วภายในจิตก็ต้องเพียนพยายามละไปการมองเห็นโทษนั้นทรงแสดงว่าให้มองเห็นโทษแม้เพียงเล็กน้อยซึ่งเกิดขึ้นด้วยอำนาจขององกุศลเพราะว่าการตามหลักความเป็นจริงแล้วสิ่งทั้งหลายนั้นก็เริ่มมาจากจุดเล็กๆก่อนแล้วค่อยๆเติบโตขึ้น อากุศลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือเริ่มมาจากจุดย่อยๆเล็กๆแล้วค่อยสะสมมากขึ้นเพราะฉะนั้นจึงต้องมองให้เห็นโทษแม้เพียงเล็กน้อยแล้วก็เพียรพยายามละไปเรื่อยๆในชั้นต่อไปนั้นทรงแสดงหลักที่เรียกว่าภาวนาประทานคือเพียรพยายามเสริมสร้าง กุศลให้บังเกิดขึ้นการสร้างกุศลให้บังเกิดขึ้นนั้นหลักที่บุคคลควรกำหนดก็ต้องอาศัยแนวของสมาสังกปะและสมาธิิคือมีความคิดเห็นในทางที่ชอบมองเห็นผลอานิสงของกุศลความดีที่เกิดขึ้นแก่จิตใจของตน แล้วเพียรปลูกฝังความพอใจความพยายามปรารบความเพียรในการเสริมสร้างขุศลให้บังเกิดขึ้นข้อนี้ทรงแสดงไว้ว่าบุคคลเมื่อจะกระทำความดีให้กระทำความดีนั้นบ่อยๆและให้ปลูกฝังความพอใจในความดีเหล่านั้น เพราะาการสร้างสมกุศลคือคุณธรรมความดีนั้นนำความสุขมาให้ดังนี้การสร้างสมบุญกุศลคือความดีให้บังเกิดขึ้นนอกจากจะต้องปลูกฝังความพอใจดังที่กล่าวแล้วเรื่องความเพียรพยายามถือว่าเป็นอุปการธรรมที่สำคัญอย่างจริง เพราะการสร้างกุศลให้บังเกิดขึ้นภายในจิตบุคคลจะต้องปฏิบัติด้วยความเพียรที่แรงกล้าเพราะเป็นเหมือนการว่ายทวนกระแสน้ำขึ้นไปในขณะที่กระแสน้ำไหลเชี่ยวกรากนั้นคนจะว่ายทวนขึ้นไปได้จะต้องมีเจตจำนงอันแน่วแน่มีความเพียรพยายามอย่างแรงกล้า ตลอดถึงมีกำลังกายและกำลังใจที่เข้มแข็งถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็าอาจจะถูกกระแสน้ำพัดพาให้หวนกลับมาได้การสร้างขุศสคือความดีให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจนั้นบุคคลจะต้องทวนกระแสของกิเลสขึ้นไปกระแสของกิเลสนั้นตามปกติก็ไหลท่วมทับจิตใจของคนอยู่ถ้าหากว่าผู้ปฏิบัติไม่ใช้ความเพียรพยายามแล้ว โอกาสที่จะทวนกระแสกิเลสขึ้นไปได้นั้นมีได้ยากข้อนี้พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงถึงความจริงที่ปรากฏอยู่ในโลกว่าคนเป็นจำนวนน้อยเท่านั้นที่สามารถไหวแล้วก็ขึ้นสู่ฝั่งได้คนส่วนมากก็จะเลาะเลาะไปตามฝั่งเท่านั้นเองคือไม่อาจที่จะ ขึ้นฝังได้ในถามกลางกระแสของกิเลสที่บุคคลจะต้องทวนขึ้นไปนั้นจึงต้องอาศัยความพอใจความพยาย า, ม, ยายมปรารบความเปลี่ยนแล้วสร้างกุศลคือความดีให้บังเกิดขึ้นได้ในจุดใดก็ให้ประคับประคองจิตไว้ในจุดนั้นเช่นกับเรื่องของการละกิเลสดังที่ว่ามาแล้ว เช่นว่าอารมณ์ขนาดนี้เรื่องรุนแรงขนาดนี้เคยเอาชนะได้ไม่โกรธไม่เกลียดไม่ประทุษร้ายตอบพอเกิดประสบกับอารมณ์ชนิดเดียวกันในระดับเดียวกันก็ต้องเอาชนะให้ได้ด้วยช่อว่าเป็นการประคับประคองจิตไวรักษาความดีที่สร้างขึ้นแล้วได้การรักษาความดีนั้นท่านแสดงไว้ว่า บุคคลจะต้องรักษาให้ได้เหมือนเกลือที่รักษาความเค็มฉะนั้นในข้อต่อไปท่านใช้คำว่าอนุรักษณาประทานคือใช้ความเพียรพยายามในการที่จะรักษากุศลคือความดีที่ได้แล้วไม่เสื่อมไปในขณะเดียวกันก็เพิ่มพูนส่วนที่ยังไม่มีให้มียิ่งยิ่งขึ้น จนจิตเข้าถึงความสมบูรณ์ด้วยกุศลและธรรมทั้งหลายการต่อสู้กับอำนาจกิเลสและอำนาจอำนาจของอารมณ์นั้นทรงอุปมาเหมือนกับการรบทัพจับศึกในสมัยโบราณการต่อสู้กับข้าศึกนั้นถ้าหากว่าเอาชนะเสร็จแล้วก็ถอยกลับมาเข้าไขา่จะรบกันเท่าไหร่โอกาสที่จะชนะก็มีไม่ได้ ในชั้นของการรบท่านจึงกำหนดให้ยึดครองพื้นที่ไปด้วยแล้วก็รุกคืบหน้าต่อไปจนสามารถพิชิตค่าศึกได้ในการต่อสู้กับกิเลสก็มีลักษณะเช่นเดียวกันฉะนั้นคือเมื่อจุดใดที่บุคคลสร้างสมความดีให้บังเกิดขึ้นได้แล้วก็รักษาในจุดนั้นเอาไว้ ในขณะเดียวกันก็คืบคลานต่อไปเพื่อเอาชนะในส่วนที่ยังไม่ชนะและเข้าถึงความเป็นผู้ชนะโดยสมบูรณ์ซึ่งแน่นอนว่าในขั้นของการประพฤติปฏิบัติความพอใจความพยายามการประรบความเพียรและการประคับประคองจิตไว้เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นมาก เพราะบรากุศลแลธรรมทั้งหลายนั้นมีอยู่สองช่วงช่วงแรกท่านเรียกว่ากุปปธรรมคือกำเริบได้มีความเปลี่ยนแปลงได้ชั้นที่สองเรียกว่าอกุปปธรรมคือไม่กำเริบไม่เปลี่ยนแปลงชั้นไม่กำเริบไม่เปลี่ยนแปลงจะมีได้เฉพาะพระระยะบุคคลเท่านั้นส่วนชั้นที่เป็นสามั ญ, ญชนแม้จะได้ฌานสมาบัติไปแล้วโอกาสที่จะเสื่อมก็มีได้เหมือนกัน ถ้าหากว่าไปกระทบกับอารมณ์ภายนอกซึ่งมีลักษณะที่รุนแรงท่านเล่าถึงฤาษีในสมัยก่อนได้ฌานสมาบัติสามารถที่จะเลื่อนลอยไปในอากาศได้แต่ว่าการได้ฌานนั้นกิเลส ถ, ถูกระงับไว้ด้วยกำลังฌานเท่านั้นยังไม่ได้ละให้หมดสิ้นอะไรไปเพราะฉะนั้นเมื่อมีเสียง ที่ชวนรักใคร่พอใจมากระทบจิตก็เกิดกำหนัดกิเลส้ายโลภะก็เกิดขึ้นฌานก็เสื่อมแล้วก็ตกลงมาอย่างป่าอิสิปตนามรุกัายวันที่ได้ยินชื่อเสียงกันอยู่นั้นคาว่าอิสิปัตนาแปลว่าเป็นที่ตกแข่งหรือสีเพราะว่าฌานของรูปสีเสื่อมไปเนื่องจากเกิดกำหนัดในเสียงแล้วก็ตกลงมาที่ป่านั้น ป่านั้นจึงได้ชื่อว่าอิสิปตนาแปลว่าเป็นที่ตกของฤาษีดังนั้นในชั้นของโลกิยธรรมตั <c oughs> ้งหลายนั้นสาสราสใดที่บุคคลยังไม่สู่กระแสของพระนิพพานคือยังไม่ได้บรรลุโสดาปติพนศาสนั้นยังไม่ควรถึงความวางใจ หรือความนอนใจว่าจิตใจของตนมีความมั่นคงกุศลคือความดีตนได้สร้างไว้มากพอแล้ว โ, โอกาสที่จะเสื่อมนั้นยังมีอยู่ข้อนี้พึงดูตัวอย่างคนที่มีชื่อเสียงเด่นดังในทางไม่ดีมากก็คือพระเทวทัตพระเทวทัตนั้นได้บรรลุฌานขั้นโลกิยะปุตุชน มีฤทธิ์มีอำนาจได้อภิญญาที่เป็นโลกิยะด้วยแต่พอปทุศจิตเกิดขึ้นในพระพุทธเจ้าวางแผนจะฆ่าพระพุทธเจ้าและให้พระเจ้าชาติตรูฆ่าพระเจ้าพิมิสารเท่านั้นกิเลสสองกองก็เกิดขึ้นคือตั้งโลภะและโทสะฌานที่มีอยู่ก็เสื่อมหมดตามตำนานบอกว่าเมื่อตอนเข้าไปหาพระเจ้าชาติตรูนั้น ท่านไปด้วยฤทธิ์แต่ว่าเวลากลับมาชาญเสื่อมก็ต้องเดินกลับมาดังนั้นเรื่องของอนุรักษณาประทานคือการพยายามรักษากุศลที่มีอยู่แล้วไม่ให้เสื่อมในขณะเดียวกันก็พยายามเสริมสร้างกุศลให้เพิ่มพูนมากๆริ่งๆขึ้นไปจึงถือว่าเป็นสัมมาวายามะที่สมบูรณ ค้อนี้จะเห็นได้ว่าถึงแม้จะทรงจำแนกแสดงไว้ถึงสี่ช่วงด้วยกันแต่ว่าโดยหลักความเป็นจริงแล้วก็คือหลักของปหาณะที่เรียกว่าละกภาวนาคือการกระทาบำเพ็ญให้บังเกิดขึ้นการละและการบำเพ็ญ น, นั้นมีอยู่สองลักษณะดังที่ได้กราบมาแล้วคือต้องละบาปละอกุศลออกไปก่อน กับประการหนึ่งคือสร้างเฉพาะส่วนที่เป็นกุศลแล้วกุศลจะทำหน้าที่สลายอากุศลเองข้อนี้ท่านอุปมาเหมือนการที่บุคคลต้องการจะทำน้ำในสระซึ่งขูณข้นให้สะอาดก็าอาจจะทำได้2วิธีวิธีแรกคือสูบน้ำที่โสกกระปุกทิ้งเสียก่อนแล้วก็สูบน้ำที่สะอาดใสเข้าไป การที่สองนั้นสูบน้ำที่สะอาดใสเข้าไปให้มีปริมาณท่วมทนในสระนั้นและน้ำสะอาดซึ่งไหลเข้าไปนั้นจะทำหน้าที่สลายความขุ่นข้นที่มีอยู่ก่อนให้เจือจางลงไปจนน้าในสระนั้นกลายเป็นน้าที่บริสุทธิ์ซึ่งในที่สุดด้วยวิธีทั้งสองนี้น้ำในสระก็จะสะอาดเช่นเดียวกัน จิตใจของบุคคลก็มีลักษณะอย่างนั้นคือตามพื้นปกติแล้วจะประกอบด้วยกิเลสทั้งสามสายคือโลภะโทสะโมหะแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าบุคคลจะไม่มีส่วนที่เป็นกุศลอยู่เลยส่วนที่เป็นกุศลก็มีอยู่แต่อาศัยที่ถูกคอคุ้มด้วยอกุศลบางครั้งก็แสดงตัวออกมาไม่ได้ ในชั้นของการปฏิบัติจึงจำเป็นจะต้องละส่วนที่เป็นอกุศลออกไปแล้วก็เสริมสร้างส่วนที่เป็นกุศลให้บังเกิดขึ้นในที่สุดจิตก็จะผ่องแพ้วสะอาดอีกชั้นหนึ่งนั้นเป็นลักษณะที่ทรงใช้คำว่าสันเลขาคือขัดเกลาก้าในลักษณะของความมืดที่ปรากฏอยู่นี่ บุคคลไม่จำเป็นจะต้องไปไล่อะไรความมืดหรือเพียงแต่จุดแสงสว่างขึ้นมาและแสงสว่างที่เกิดจากการจุดของบุคคลนั้นจะทาหน้าที่ขับไล่ความมืดออกไปเองคือหมายถึงว่าเป็นการสร้างกุศลคือความดีให้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วกุศลเหล่านั้นจะทำหน้าที่สลายกิเลสไป เพราะตามปกติแล้วกุศลกับอกุศล น, นั้นเป็นความจริงของเหรียญเหรียเดียวกันแต่ว่าคนละด้านเมื่อด้านหนึ่งปรากฏขึ้นอีกด้านหนึ่งจะปรากฏไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลากุศลปรากฏขึ้นอกุศลก็ปรากฏไม่ได้ในข้อนี้ทรงแสดงธรรมะที่เรียกว่าธรรมะข้อธรรมให้เป็นคู่ ค, คู่กันคือขัดกลากัน อย่างเช่นในขณะใดที่จิตใจของคนเต็มเปี่ยมด้วยศรัทธาในขณะนั้นความไม่เชื่อความลังเลสงสัยก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ทั้งนี้เพราะศรัทธาที่เกิดขึ้นนั้นทำหน้าที่ขจัดความไม่เชื่อความลังเลสงสัยหรือในขณะใดที่จิตของบุคคลประกอบด้วยเมตตากรุณาในขณะนั้นความอาฆาตพยาบาทความรู้สึกเบียดเบียนจะเกิดขึ้นด้วยไม่ได้ เพราะว่าจิตถูกยึดครองด้วยเมตตาและกรุณาแต่ในธรรมนองตรงกันข้ามทหากวาจิตยังมีพยาบาทยังมีความเบียดเบียนอยู่เมตตากรุณาก็เกิดขึ้นไม่ได้เช่นเดียวกันธรรมะในส่วนอื่นๆก็มีลักษณะอย่างนั้นการบาเพ็ญกุศลคือเสริมสร้างกุศลให้บังเกิดขึ้นจึงชื่อว่ากุศลเหล่านั้นจะทาหน้าที่สลาย อกุศลที่มีอยู่ภายในจิตใจเรื่องของสัมมาวายามะจึงเป็นเรื่องที่บุคคลจะต้องกระทําติดต่อกันไปเรื่อยๆไม่ว่าในขั้นของการสํารวมระวังในขั้นของการละในขั้นของการเสริมสร้างความดีและในขั้นของการรักษาความดีไปโดยไม่ประมาทว่าในขณะนี้ตนได้ทําความดีสมบูรณ์แล้ว หลักในการประพฤติปฏิบัติข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้รับสั่งเล่าถึงการปฏิบัติของพระองค์ก่อนการจัดสรุว่าทรงประกอบด้วยความเพียรอันแรงกล้าคือหมายความว่าก็คล้ายๆกับว่ายน้ำทวนกระแสอย่างที่พูดมาแล้วบางทีว่ายไปได้มากแต่กระแสน้ำแรงกระแทกกลับลงมาก็ต้องว่ายขึ้นไปใหม่ เพื่ออาศัยความเพียรพยายามที่ไม่ท้อถอยต่ออุปสรรคอันตรายนี้เองในที่สุดกุศลก็จะค่อยๆถูกละไปส่วนที่เป็นกุศลก็จะเพิ่มพูนมากๆยิ่งยิ่งขึ้นในที่สุดจิตใจก็จะเต็มเปี่ยมไปด้วยกุศลคือความดีงานเหล่านี้โดยปกติแล้วเป็นงานทางจิต เพราะความเพียรพยายามทางกายนั้นเป็นเรื่องของสัมมาอาชีวะหรือการกระทาอย่างอื่นก็เป็นเรื่องของสมากรรมันตะไปสัมมาวายามะจึงเป็นเรื่องของจิตสิกขาเป็นความเพียรพยายามที่บุคคลจะต้องอาศัยสติเป็นหลักสำคัญและปัญญาความรอบรู้ความเข้าใจถึงสภาพจิตที่ปรากฏในขณะนั้น ให้ดูจิตของตนว่าเป็นกุศลหรืออกุศลแล้วละบำเพ็ญไปตามสมควรแก่กรณีซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเดินไปตามแนวที่ทรงแสดงไว้คือจะต้องปลุกฝังความพอใจไปเรื่อยๆย่อหย่อนลงไปไม่ได้และในด้านของความพยายามก็ต้องพยายามไปเรื่อยๆปราบรความเพียรที่สืบต่อกันไปละได้ขนาดไหน สร้างความดีได้ขนาดไหนก็ต้องพยายามรักษาจุดนั้นเอาไว้ในขณะเดียวกันขั้นของการละถ้ายังละไม่หมดก็ต้องละต่อไปขั้นบาเพ็ญเพียรที่ยังบาเพ็ญไม่หมดก็ต้องบาเพ็ญสืบต่อไปจนจิตใจเข้าถึงความสมบูรณ์ด้วยกุศลความดีสัมาวายามะจึงชื่อว่าบรรลุจุดหมายในขั้นของการประพฤติปฏิบัติต่อแต่นี้ไป ขอให้ตั้งใจทำความส ง, งบสืบต่อไป